พามาถวายในขัํากลางสงหรืเสียสละผู้เทีย์ไปในขั้นบำเพ็ญบุญบาเพ็ญกิจขั้นพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าพาแยกและพาหยุกาคำว่าพายกพาหยุกานัานเป็นผู้เสียสละแล้วเป็นผู้ให้แล้วเป็นผู้เคลื่อแล้ว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 ขอสรุปมงคลกับประสงค์ให้ตัวเองใจเย็นตกบ้านใหม่ก็ขลังกันบรรพุสงกันเจ้าของบ้านนั้นก็เรียกว่าทาโยคไหกากาเป็นผู้ทำดุญเป็นผู้เส้อสละเป็นผู้ให้วั่วเชื่อด้าอยู่ตนเองแล้วก็ให้ผู้ใช้ยาวัาทาโยคไหกากาเป็นต้นแต่ผู้ปฏิบัติธรรม ในพระพุาศา ส, สนาก็เรียกเราอุบาสกเรียราอุบาติก า, อายอมปฏิบัติและรับสาวยึดถืออุจบกข์มีกนหนดเองาต่กลางและกรรมบุตรสุดครบจึงเรียกว่าอุบาสกอบาติการักษาไว้ที่ิตจมีความหมายอย่างนั้น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 เป็นเขะโยชน์จดอนพระพิพัฒนาประช่าเป็นประยชน์จงดอนกระตางเงทานให้ทานเพ่อตทุกจยาตลอดกระทั่งเคร่องสวินทิพาพรให้ทางข้างทางกับโยหน้าให้ยาจกยายาจกยามุกพเศปัโดยที่มาขอทานมางอย่างไม่ขอก็ให้ทานบางอย่างขอถึงจะให้ การให้ทานนี้กัตามขอสรินพรท่านคือบากบัณิกาทั้งหลายถ้าเราให้ของเขาไม่ดีไปเราจะได้ของไมา่ดีกลับมายกตัวอย่างอาตมานี่เองเดือดเมื่ๆไหมีอ้าดรลายอยู่สามปลาไปรวายยังตาไปแล้วก็ไม่ทราบว่าพาเนี่มันขาดมันขาดมาจากร้าน้าั้องตากรเหงไม่ได้ ถ้าเราไปบางส ก, กุลกลับมาคื่อข้างสื่คราวก็ได้ผาขาดมาทุกครั้งอันนี้านทานโดยเจตนาทั้งท่านสื่บริการอย่างนั้นต่อบริสุทธิ์ด้วยต้อ ง, งบริสุทธิ์ทางของเครื่องวัตถุพยาานต้อบริสุทธิ์ั้งจิตใจเลือดไปเจตนาทั้ ง, งท่านต่อต้องบริสุทธิ์เลือดหรือมาถว า, ายท้งนี้นะ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 ตลอดการปัจจุบันนั้นเราก็ดีอกดีใจชื่นใจนททในในด้บุญกุศลที่เราทำาระหกตอนเป็มประกาศสัมผัสไม่ทุ่งบุญไม่ทุ่งทานถือมาภาวนาไว้อย่าเล่าเค่มาปฏิบัติกรรมฐ า, านบำ เ, เพ็ญกุศลภานารลกษาเบื่อสดงบเวมส่งขั้ขลาลาสามานทั้งหลายติดใจก็ขายใสะอาดโดยสุธานที่ท่านถึงตาบริสุทธิ์เชื่อ ทานบริสุทธิ์ที่บดิสุทธ์จุกก็บริสธิ์จุกจะบริสุธิได้ต้องกสมาทานศีลบำเพ็ญศีลจุดจะสอาดหมดจบได้ต้องภาวนาจเจริญ ป, ป, ปัสสุทธานุสิตกายกายเวทานาสิจธรรมทานเนี่มีสามประเภทกิจกรรมสำหรับทานปฏิบัติทานข้อต้นคือให้ดูเชื่อไม่เปนลาให้ไปอย่างนั้น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 ทานขั้นสูงของภาวนาจากบำเพ็ญจิตภาวนาแล้วจิตก็สายจะสะอาดบริสุทธิ์ทานก็บริสุทธิ์เจตนาออกมาก็บริสุทธิ์ถ้าจิตสายใจะสะอาดถ้าเราบำเพ็ญศีลปฏิบัติกรรมฐานจิตใจก็สูงขึ้นไปตามอยากทุกขามสามารถจะกําจัดความเครียดตัวได้หวังผลไปสู่มรรคสุผล จาก้นบัตรมนุษย์เหวี่ยอยากผลมนุษย์บัตรในหวังผลตายถึงในวังผลบัตรตุดมุ่งมากกาธนานิพพานุบัตรได้เหมือนอย่างที่พระพิทธเจาคยประช่ารลสยบผแดนในหวังผลใดๆทั้งเครื่องประดุนิ่งพาพอนก็ขอให้ไปได้สร้งพระมังกรอยู่เดิมทุกประขอให้ไง ทุอสิ่งทุกอย่างให้หมดที่หลังผลพระโพธิยาณในนาคตการเรื่องหน้ า, ต, า, นาต่อไปไม่จำเป็นต้องแค่อนะไรนั้นแหนยเมืศไนย น, ยนาก็าให้เป็นทานได้พลักออกไปได้เบืองจุดเบืงใจใสสะอาดกะสามารถให้ท า, านได้เจ้าตาเป็ของข้าดายแต่พระพาลีจะทำหาเยเบืงจุดเบืงใจนั้นคล้ายวักคู่เพื่อกุคต เรื่อนคือวิจนาคือแม่สมาส่สามารถให้ทางไปได้เช่นเดยกันอันนี้ทานท่านสงที่สุดนะแล้วการดีหยัางคับทำโงทติยาณในนาคประการเบื้องหน้าสุดต่อไปทานจรงมีหลายประเทศที่ไลยขยายช้างอาทานเอายวถัดปเาไว้กระถิงมีคนแย่งกงันละ อันดีสองตะถิ่นดีหรือตปาดีดงางท่านสวะตปาอันดีสองเถิงตะถิ่นดงางาท่านกอยากะถินเถิงตะปาตาไม่เช่อยู่ตรงนั้นอยู่ที่เจตนาของท่านบางคนทำบุญมากมายแต่กองแต่ไม่ได้บุญเลยจิตไม่มีสุขใจไม่สบายต้องดหตุใานั่าจะชพื่ได้ไมั้ยแต่ทานไม่ดับเพลิน เมื่อเพิ่มตัวภาวนาแล้วมันก็ไม่ส า, ามารถจะช่วยได้เช่นเดียวกันพระพุทธเจะาจึงอกทำให้ครบสามวาละทานและก็สืบภาวนาทานราให้กันเที่ยงกางเป็นธรรมดาแต่สืนแต่จีบัดนี้จะได้แต่ตัวเองมีภาวนาซึ่งก็จะเกิดเมตตาจะให้ทานท่านผูดด้ใดก็เอาของดีให้ของเสือจะไม่ให้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 ทางใจจะข้ายทายนหากจะคลายอุทิศหากจะบิดามดามดูพุกเปลูพูพุกตกยากไรสีท่ ท, ส ท, สที่ไหนประํารไดหรือเจ้าเวรในตามเจ้าตามใามมเนเวรจรงมางรันะบส่วนอุเบกของเรานะบัดมีอยัดเทพันเต๋อ ส, สังเถอส่วนนมขอบูชาพระพุทธเจ้าส่วนที่สขอถึงพระสงฆ์ส่วนที่สามขอทิ้งสูงสุดทรงสูงทรงทํา จะปฏิบัติกรรมฐานจะได้รับบุญอนุโทนาส่วนกุศลรับถ่ายใยเลื่อมตามสี่ประการที่มีสี่นั่นเล่าจะขอพานอนุุุ่ถึงเจะเรื่องลาภยาร่ำเบื่จะพบสมารักส่วนทานตามสุศลของท่านคู้บริจาในโอกาสนี้พยยาม้ห้าต่อไปขอเจ้าเวรเจ้าตามจงให้เฮ็ดซเงียอย่าช่างเวรช่างตามต่อไปเลย จงเง็ดเว้นเง็ดจำอยาจองเวินจองตามตามนะตามด้วยการอย่าจองเวินจอง ต, ง ต, ง ต, งตามปฏการไดบริจาคจิตใจเสียสละความเพื่อจะเสียไปจะได้มีอเว้นมือจมีภัยแต่ตัวเองต่ไปตัาเองก็กบริสุลาพจากเมืองถึงโพธไปไหนก็สะดวกไปไหนก็บสบายต่อภัายชีวิตก็ชัสู อาจจะมีชื่อ ท, ท, ทุ่งปิดเสื้อท่านตายสุริานติลภายนาเพบศสามวลาปิดใจท่ทานจะได้เป็นมหาปุถุคอมจะไปกราบแห่งโขนกำเบลดทานที่ปฏิบัติทมได้ด้วยริจาวทานด้วยเรือฉลากได้ด้วยเป็นทั้งพายยกเป็นทั้งชา ย, ยุิกาเป็นทั้งอุบาศเป็นทั้งอุบาสิกาเป็นทั้งผู้ถือกรเป็นทั้งวิทยกร ครบเพื่องกระบวนการเลื้อจะไปเหนื้อมาก็จะเัิดแทงเหินกระบวนใดจะไม่ตายสู่อันยดในเลกตัวพิลาตายจับระชามแน่นอนที่จะจะไปเปิดในถิ่นฐานบ้านในหมู่บ้านเศรษฐีมหาเศีจะเดินมือคือฝึกตะไงจะการดูของจะไปเกิดแางหินัระบวนใดประเทศถึงสามใดจะมียะตงยสาคณะญาติเปนกราบปนบัณฑิ ตลอดไตามจะมีเลกมีหลานก่ายนอนสอนง่ายจิตละตามละตามที่สามจะไปเจอแทงโหินระ บ, บนได้หรประเทศถิ่ฐานใดก็าตามจะเติไปด้วยโยระคาแทย์พระคาจะเห็นยาบาลอยู่ใกล้คิดมีคนอุตสาละมีคนช่วยเหลือตละดตามเวลาละตามที่สี่นี่แหละจะไปเจอแทงเหินระ บ, บนได้จามีจะ ม, มหาวูทเพื่อลายต า, ามศกษา ให้เลือกด้ศึกษาลเลาเรียนและมีวิชาตาไม่านาพุทธ ก, การเรื่องหน้าศึกษาศประการที่ห้านั้นหลับจะไปก่อแถมหงกระโดนดายจะมีเครื่องคลือบคล่อมด้วยมนุษย์ชนบัติพล้อมเดือยววสวรริบัตินิผ่านชนบัตรอนามาโคตสุสดท้ยดายาาใส่เดือยสบายปลอดภัยทั้งน้ําทั้งไฟเครื่องใช้บริขารเครื่องใช้ตามอานันใดมือเคลื่อนประบวนตามไม่เหลือเนื้อแล่ในใจจัประการใด แจะทำอะไรก็ปลอดภัยไม่มีเสีื่อจัไรในข้อสุดท้ายมืที่เพิ่งทางิริใจก็ได้มาจาาัดทานที่หนาาา้ า, า, าพญานาคขออาณโมขนาดสาธุการแต่คณะเจภาพและผู้เหยื่อเมตธรรมปฏิบัติในประพฤนตะิศาสนาขอให้ทั้งหลายเข้าถึงสุดธรรมเข้าถึงคำสอนขอ ง, ขงประพฤเจ้าวถือปฏิบัติได้ขด อ, หอให้ปฏิบัติโดยสิทต่อเนื่องไป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 โดยตู้ค่าราคาไม่ได้อยาราคาทาไรไม่เหมือนเพชรมุ่งคุดางตี้ราคาตามสลับตจะราคาตามหนักบาดเป็นต่อพื้ว้นู้นในแรงแค้นพื้นเว้นูมือตะแบ่งถังพื้นเวตนนู้จะอยู่ได้โดยกามจเจเริญสุขเจริญพัฒนาประภารธรสุขภาพแข็งราะการจเจริญรุ่งเรืองจงมีแต่ท่านนาย ต่ที่ข่านจงเจริญก็เดยอายุยามาสุขภาพละปะัาจจาุบันพงศาวรเพิ่งบัดไม่เชิจึมี่งละตามดายชน ม, มาจาัดพงศาด้วยกันทุกขด้วยชุนามนาโอกาบบัดนี้เทม